มาได้ราคะทสะโมหะเลรงอยู่ในดวงจิตนะเิ่งเรานี้มันหอบมาแต่อนเนกาตนะิมากองอยู่ในปัจจุบันนะพิษร้ายมาให้พิดร้ายเทียวราคาเกิดขึ้นมาแล้วหนาผิดศีผิดธรรมฆ่ากันได้ทสะโมหะก็โดยเดียวกันนะ ไม่ลนึล่ละจิตของบุชอนต้องอบ ร, ร ม, มธรรมะให้มากธรรมะนะทินเน่นะขนทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่แปดอย่างไม่แปดอย่างนะปัญญาเห็นชอบดําริชอบเจริจาชอบการงานชอบนะไม่การชอบทั้งนั้นเนี่ยไม่มีการผิดนะั่นนทางกเริมพระอริยเจ้าเดินนะั่น ไม่ละเนี่ยละคอยตาง อ, อกตางจาให้มักเราไม่โอกาสล้าเราไม่โอกาสเดาในในชื่อวิตทั้งเราขานหาไม่ครบหมดทุกอย่างได้เชื่อว่ า, ากักลังมนุษย์เสุมนุษย์เลิศนะนราทางเหญิงทางชายนะนี่ธรรมวินัยขององสมเด็จธนรรพรพเมียภ า, ากัสโลเลยก็เป็นของเลิศนะ เมรละเนล่นนะได้ทราบไปวานองสมแดดพระพระมีภาคในกลียศในคลังนั้นในครังนั้นพรนมาณสาวกในที่เปลี่ยวในที่วิเวกนะความเปลี่ยวความไม่แวกอันเนย น, นะจิตดุดดืม่มอัตถรตธรธ ร, ธรมารสมากตั้งอยู่ในฐานะอันดีนั้น ไม่หลกกายไว่แวกหนะน้าทินเะน่ดังคตธรรมานะขาขวาทับขาซ้ า, ายได้เนะ่มือขวาทับมือซ้ายไนดะ้เนะ่เมื่อวางตัวให้กลงๆแล้วก็หลับตานะหลับตาในะทินเน่หมายความมาสังเบลอสังรวมจิตนะเจ็ตของเราเนะี่ยลื่นตามันไปตามแสงสายตามันออกจาก ร่างกายไปนั้นมันไม่ขลังมันไม่คลังนท่านอาจารย์มั น, ม น, นมสอนอาตมาว่าอย่า <c oughs> สง่งเิจนะลอยนะสง่งกิจไปข้างนอกเป็นตัววัตทะวนนั่นเข้านาเข้านายนะนั่นเป็นตัววิวัฏทะนะไม่วนนะนั่น <c oughs> นี่นะอิมพักรงหากว่าเป็นเช่นนั้นเรียกว่ากายสงบนะเปรี่ยวหนึง่งว่าไว้นนั่น นล้วทนี่ไม่โอกาสที่จะทำความพยันในจิตภาวนาพุทธโธนะนั่นโอกาสโอกาสนะความเปลี่ยวความว่าเวน่าทินเนนะี่มันไล่นในวอนออกจากดวงจิตอับปเี็จจังไรให้มันคลายออกนะเป็นภาชนะที่ในหัวใจของเรานะเนี่ย ไว้แวกตาโดสุขขในความนะวิเวสให้เกิดความสุขอย่างเงี้ยนะในระดับสันไดเราอยูเทนี่หลายคนหลายคนเนีนึกว่าเราคนเดียวคนเดียวนะเกี่เกี่ยวย่า ก, ก่อเกี่ยวกันอยา่าส่งเกตคุกเคลิกันนะให้เปลี่ยวนะเราตายคนเดียวแก่คนเดียวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคนอื่นนะนั่น ไม่ในตอนนั้นแล้วเนี่วาเจวะแวกนะั้นมันออกจากวาจานะ <S <S ไม่ไม่ความไม่ไ ม, ม, ม, มีความสงบ <S 2> <S 2> <S แม้ตาวางเทพระเรทแท้ไปคุยกันไม่ได้เป็นขาดนะวาจาวิแวกก็สงัดไม่คุยกันนั้นประการใด <S 2> <S 2> <S 2> มะนวิแวแกในเะป็นของลึกลับสุขุมคัมภีรภาพมากที่สุด เป็นเทพประชมใหญ่ในประชุมใหญ่ในจิตทั้งนั้นนะบุญระบาสนะอดีตอนาคตนะอืประชุมใหญ่ในปัจจุบันและอิมพีร์าล่างนะในอบอลองสำเด็จพระพระเมลาภาเข้ามาในเรือนของเราในะมาในจิตของเราเนี่ยนั่นเราต้องพิจารณาจิตของเรานะจิตของเราต้องพิจารณาเนะี่ยชมละ ปัดกวาดให้สะอาดเนี่ยแล้วก็ปูปูอาสนะให้พระองค์ประทับนี่รับรองพระใเจ้าเสด็จมานะเนี่เจ้าถินนะเจ้าถินเจ้าของเรือนนะเรานะหญิงชายนะพระเนนะณแทนในโอปร น, นิโก น, น้อมอคุณของพระพุทธเจ้าข้ามาองค์สมเด็จพระพระเมีภาคจะเสด็จไปเรียนคลายนะ แม่ไม่ใช่เ่นนะนั่นเรือนนะมิทสาทนี่ท่านไม่เขา้ามันเปื้อนเปิดเดเธอเนะี่มันมีบญเทนนะั่นเมื่อรสัมมาทเทศน์นะยกักษ์รสพุทรว่าทานาสงได้นามะอุมาสโกนะนั้นนได้นามะอุมาสกาณ์นะาาจนะิจชาติเนี่ยทงต้องเสด็จไปนะั่น เราอิมาการหัวใจพระหัวใจแน่นะนั่นคลายเครื่องกันกับหัวใจของญาติโยมนะนั่นบัดวดให้สะอาดนะนั่นนพุอาชนะให้พระองค์รับรองพระองค์สเสด็จมาถ้าได้เจงหัวถ้าได้เจงอันองค์สมเด็จพระน้พระเมียภาคองค์หนึ่งองค์หนึ่งมันไม่พระในพานบังคับอยู่ในตัวพระองค์แล้วนั่น กายพระ อ, องค์ก็เป็นชาติานิพพานอไปจุดไปเผาเป็นธาตุนะเป็นมรมธม า, าตุนะเนี่ยวอกีหอดแล้วว่ากายนะขานของพระ อ, องค์เป็นชาติานิพพานแม้องค์สําเด็จพระพุทธภาคอยู่ในต้นไม้โลกขมูลนะนั่น hmm. แม้ได้เห็นว่าพระ อ, องค์พักอยู่ที่ น, นั่นเจริญสมธรรมอยู่ที่นั่นพระนิพพานอยู่ได้ใต้ต้นไม้นั่น ไดายมการนะองสมเร็จพระพแม่ภาคทรมานอุบาสกอุบาสิกาขึ้นเทศนะวาจาของพระองค์ล้วนเป็ทองสำเร็จนะอไม่ตกตามในอะริอาริยสัจนะของจริงนะขึ้นเทศนะนั่นแะม้มมเป็นชาติผ่านวาจาของพระองค์นะไม่เหมือนวาจาของบุตรชนแนะ่มันปร่งกิเลสนะวาจาของบุตรชนนะ่นะ มันเหมือนโมทูไทยท่านกล่าวนะสงงขุกพันงาป้มกาขึ้นวันละน้อยผมน้อยขึ้นวันพันนั่นป้อมกาขึ้นนะขึ้นสู่จิตของคุณไน้วันละน้อยป้อมน้อยวันละพันตัวไหนไม่ทานขึ้นน้ำทุกวันนะในละในละอปรายจังไายสังขารมันเกิดในดวงจิตนะราคาทสะมันอุ้มขมาในดวงจิตน่ะ แล้วก็มันตันไหวเรียกว่าตันหาหวงนะ่แม้ร่าขันใดก็ได้ของให้ตั้งอกตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้านะมาเลือนนะนั่นะพระองค์ประทับอยู่ในเลือนนะนะั่นแหมช่งามมากคีอสดมากที่ส ด, สดเลือนหลังนั้นน่เป็นเลือนทบริสุทธิ์เป็นเลือนที่พระองค์ประทับไหมนั่นะนะ บุคคลนะอุบาสกอุบ า, บาสกาพระแนร น, นะนั่นโยกล่คิดพระองค์นะนั่นโยกล่คิดตอนหน้าพระธัสมานักย่างมาแม่แน่ไม่เกลียดที่สุดไม่เกียดที่สุดใ ก, mm hmm. กล้พระองค์หน่อยนะนั่นแล้วกลิ่นของพระองค์ไม่กลิ่นสบับหลุษนะลึกซึ้งนะอิ่นสัมผัสพระองค์ไนดะนั่น ได้เคยชมนะนั่นกลิ่นของมะองนั่นเหมือนกับกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายนี่กลิ่นสับปะรดกติ่นผู้ไดเจ้ากลิ่นพระไอเจ้ากลิ่นพระพระเจษนะกลิ่นอันนี้น่ะเป็นกลิ่นให้พ้นทุกได้นั่นไม่นวหอมได้กลายหอมได้กลายหอมไปถึงอาวิเจนอนนะนั่นหอมไปถึงอนุภูมิคมนอะ ใ น, ในระยะสามพ น, นนั้นไม่แบ้ชาเนภาถึงขนาดนั้นนะนั่นอุมาสกุมาได้รับสัมผัสถึงขนาดนั้นจิตไม่เลยหนึ่งละอายพองค์มากไมเคิดเป็นเลิกนอกเถืยอปรงขึ้นมานะละของร้อนในราคาโทสามมานะสังขารทั้งหลายเป็นของร้อนนะั mm ่น hmm. แล้วเมพุทธพาเสร็จขึ้นวาบัญญาขันธานะนะ มันจะขันเป็นทุกนาะเป็นของนอนที่สุดนะนั่นโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นในละในละแม่ <c oughs> หมดมาอยู่ต่อนหน้าพระทรัพยนักในจิตสูงนั่น <c oughs> อุมาสกุมาสกาจิตสูงนั่นพระนั่นก็จิตสูงนั่นได้ <c oughs> กัญยาณเมตถีดีทีท่สุด <c oughs> กัญยาณเมตทีอ้างในพระกลายพรดอกว่า <c oughs> องธรรมานองค์ณิมาณ น, นะองค์คืิมาณเธอนะเธอนะเธอฆ่าคนนะนั่นเธอไปตกนรกกัไวเกเนาะนั่นเมื่อเธอได้กัลมยาณมึตคือทถาคตเนี่ยเธอได้สําเร็จอหรหันนะนั่นนั่นแหละกัลยาณมิตรสาคัญมากองค์สมเด็จพระพระเมียภ า, ากราตน์นั่นแล้วก็บรรยายพระทอพระทอให้หนักหนักพรทอเนี่ยนะนั่น hmm. มันเพิ่มปกเพิ่ ม, ม, มใจสารพัดทุกอย่างในตอนในกิตมันสามารถขี่ทำนะั้นะนะพราะน่าพะครัพ่อทอพไอทเรื่อ ย, อยไม่ละไม่วางนั่นะอทําให้เข็มนี็กํานาญเพิ่มอีกทีนั่นะเพื่อไม่เด็ไม่ได้ชาโนภาพมากเพื่อความขลังของพ่อทอนั่นระนะ ว, วางนั้นนะพ่อทอมันสามารถขีกันเสร็จแล้วมันไว้ใจจิตขวว่าลงไปะ ถึงเพลินของจิตนะน่ะอาก็สงบนะี่ไม่และราคาสูงที่สุดสูงที่สุดนะเจ้าของเรือน ค, คล้ายกับว่าได้สมบัติบรมเจริญพัฒนนะนั่นรักษาสมบัติไว้นะรักษาความสงบไว้นะนั่นก็ลยไม่แหวดล้ อ, ลรอมรักษาความสงบไม่พุ่งไปอดีตอนาคตปัจจุบันน่ให้พุ่งไปอดีตนะอนาคตนะนั่น ไม่ล่ะในแหล ะ, ละสําคัญหากว่าสงบแล้วเท่นานนะสุขอันใหญ่ความสุขอันใดสู้ความสงบไม่ได้แต่ว่าสงบในสมถะวิธีไม่ใช่ไม่ใช่สงบให้ริ่งสิ้นกิเลสนะสิ้นกิเลสนะความสงบวิปนะัจฉนาในสงบสมถะนะบุตชฌนะสงบอันนี้ยนะ เป็นโลกีก็จริงอยู่นะแต่ไม่มีความอธิจารเกิดขึ้นเพราะยังไงนะมันแบ่ขามขันอยู่เนี่ยนั่นมันไม่ปงนะนั่นมันไม่ปงนะั่นไม่มีใครสอนให้ความสงบปงสังขารนะนั่นงชั่วคราวเนะี่ยมันคล้ายคล้ยกับว่าเหียนหินทับยานะเอาเห็นออกแล้วยาเกิดขึ้นอีกทีนะั่น ยังไม่ถึงนิพานแต่ว่าถึงภูมิโลกนะเป็นเครื่องหมายเครึ่งเครื่องหมายนะนั่นตอนนั้นตอนนั้นอ้างปัญญามันเกิดขึ้นสายขึ้นมานะนั่นปัญญาในตอนนี้นไม่ใช่อ้างข้างนอกเข้าไปสอนข้างในไม่ใช่ข้างในไปสอนข้างนอกนะมันเกิดเองนะอำนาจพุทโธนะแสนะงไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาใช่แล้วแปลกปราร เชิงไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาใช่แล้วอธิการของธรรมมากราวคือพระโทนะนะั้ม่ล้วไอ้ความรู้ในตอนในขึ้นออกมาเป็นสายสายเนั้นะ น, ะน <ะ S 2> ั่นนี่เเรียกว่าคำภีทวงนะมันออกมาจากพระกจพิดุกนะหัวใจนะไม่แล้แม่แล่ะให้สนใจให้มากเรื่องนี้นะนั้นเะมื่ได้ความโล้<ป>ความเห็นในตอนนี้นะมันจะขยายไปปีตินะนั่ น, <ะ S 1> น <ะ S 2> ก่อน <ะ S 2> ไปเตนะ นามบางคนนะอืขนย่องขนพองเสียงก้าวน ะ, นะเกิดเปรตนะตัวใหญ่ครึ่งน ะ, นะเกิดเปรตนะหาตัวไม่เห็นนะเล็กนะนั้นะ <c oughs> ต้องเรียนเปรตนะ น, ะนะั่นเปตบางคนนั่งอยู่ได้หงายหมานะร่มเตียงเดี๋นะมันแรงน่อํานาจพุทธโแรงเดชานุภาพแรงปริติแรง หากว่าอุบ า, าสิกาพระนันคนไหนรแรงที่สุดนั้นมาศรัทธาไม่ถอยไม่ถอยเก่าวนาเที่วนั้นปีติมันบอกเหตุผลว่าจะได้สำเร็จนะไปไปน่ะท่านอาจารย์มันบอกว่าให้เรียงไว้ให้มือไว้เพราะเปิดอาหารคงกิจนั่นคนไหนไม่มีสีปีตินั่ น, นานเครื่องหมายนั่น เขาไม่ได้อบรมที่พุทธเจ้าที่ผ่านมาไม่ได้เคยอบรมนะน่นเทือนนั่ น, นะ น, นความเทออันนี้ยนะมันเป็นตัวเป็นตึงอยู่นั่นอนายนไปนานไปเ น, นปนะีเกียดติขานนะนั่น <c oughs> วงเหงาเหานอนใช่แล้วเนะี่ยไม่มีปิติเรือนของใจบอกเหตุผลนะนั่นไม่ในอันตรายนะั่นถ้าทีเก่งพระนจันทร์มัน่นท่านว่าหากว่าเราอภัพเช่นนั้นไม่มีปิตินะนั่น ไม่เก่าหน้าเช่นนั้นนะต้องทำไม่ทำไม่ได้ต้องทำให้เป็นนิสัยว่านิสานานนั้นไม่ลาในล ะ, ละปี ต, ติมันต้งรนะ้อยแปดนะอาจจะมาพูดเพียงเอกอเทศนี่นะมันเลี่ยงหัวใจนะนะบำรุงนะสมรรถให้แรงนะด้วยปีติ mm hmm. ตอนนั้นตอนนั้น آ, อาสงบมีแล้วนะปีติมีแล้วนะนั่นะ สามาคัคคีสองสองอย่างสามัคคีขึ้นนะนี่ยมันกลาน่าเนาะแน่อ่ามันเกิดลิมิตขึ้นแล้วเนี่ยเม่ดเม็ดอันไหนมันผลิตมาจากดวงกิดนะอาการของกิดทันใดกันบ้านทันวาหลงห ล, ลงในตอนในเป็นเสียจริตก็เสียในตอนในดีก็ดีในตอนในชั่วชั่วในตอนในที่แห่งมันออกมานะเนี่ยเม็ดทั้งหลายออกมานะนะเป็นตัวเป็นตนออกมาใช่แล้วเนี่ย ทำให้ยินดีนะั่นในมิตรแนะ่ที่ดีนะั่นทำให้ยินร้าย น, นันในมิตรที่ไม่ดีนะั่นเด่นนะคือหมายความว่าเห็นพนระพุทธพรธรรมประสงค์เห็นประสาทลอยมานะนะะยินดีปลื้มใจนะั่นยินลายนะั่นเห็นคนวนะักหัดใหญ่ก็วิ่งเข้ามานะั่นแะม้แต่ยินร้ายไม่อยากให้อันนี้เกิดขึ้นนะนั่นะ มันต้องไมยเนยม็ดนะเนม็ดมันต้องมยเพราะกิเลสของเรามันหอบมาแต่อั น, นี้ก็ชาติเราทำความชั่วความเดชในที่ผ่านมาน ะ, นะมากองอยู่ในปัจจุาบันเป็นอนุสัยนะมันกองกันนานมันไม่เพี้ยนไม่พายมัน ค, คล้ายกับว่า น, นานทะเลเนะขังนานกลายเป็นรสเค็มใช่ไม่ได้ ไม่นะฉันใยก็ได้ขอให้ตังอกต่างใจระยันในเม็ดนะนั่นเม็ดเป็นของดชนิดหนึ่งในเม็ดอันไหนก็ดขึ้นมาจะให้ผลขึ้นนั่นใช่นั้นนั่นท่านพ่อชำนาญในนิมิตมาแล้วท่านชำนาญนี้ปรัชนามาแล้วเนี่ยในเม็ดมองเช่นนั่นนะนั่นยกเป็นธรรมาริษฐานสอนจิตนะนั่นในเม็ดไม่ใช่ของร้ายเนี่ยของดีที่สดของพระโยกาบรรจงเจ้าทั้งหลายเนี่ยนั่น นี่เยันนะธรรมดาในเม็ดทั้งหลายน่ะมันปรากฏขึ้นมาดวงจิตมันเป็นของไม่เที่ยงมันของที่ไม่แน่นอนนั่นเอาไตลักษณะตัดสินนะมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันหายไปนั่นเมาเรื่องใหม่มันเกิดขึ้นอีกทีนั่นเพราะกิเลสหลามันลอยแปรบในกองอยู่หัวใจนี่ไม่อว่าไม่ใช่ละให้สนใจในเม็ตนะ เบื่อหน่ายในในเม็ดนะว่าเป็นสังขารนี่จังไม่เที่ยงนัน่นเด็กพิทยาลัยความเบื่อหน่ายเกยขึ้นแล้วนัน่นไม่ละ่ะไอ้ความว่าเบื่อหน่ายในราคาสูงที่สดุดสูงที่สุดนะ่ะมันเบื่อหน่ายในราคาโทสะโมหะมันเบื่อดายในความที่เกิดมาเป็นมนุษยนะ์นะนั่นเบื่อหน่ายแแม้ละตะโกนเบื่อหน่ายนะออกบวชนะทั้งผัวทั้งเมียเป็นพระเป็น พระผูห้หญิงเป็นพระผู้ชายนะเมื่อได้เงี้เรียนบฏิภาคระมิดน่ะเรือนให้สําเร็จแที่ภาคในีมิดนะซับซองมันเกิดสัญญาเป็นปลาเป็นมาแตงแต่ปฏิภาคในมิตรลงไปถึงบริกรรมแต่บริกรรมลงมาถึงปฏิภาคในี่มิดนี่เสียในตอนในเทียนะ ไปสวนในตอนนนีะ้นะฝันนะเดาหักฝันล่หวอกแก่ในตอนนี้ที่เรได้ชั่วในตอนนี้ทียวนะัรนไม่ล่ะเสียนะนักปราศครูบาอาจารย์แก่ในตอนนี้มากที่สุดอย่างพระอาจารย์มันท่านเป็ดไม่เมดนะไปแทบบนภูเขาปังปังอยู่ท่านอาจารย์สาวรับขึ้นไป ท, ทรมานยานะแเทมันนะอยาหนะเมื่อเทียงนะไปเทียงนะ ช่วนโมงเดิมนะจึเอากันลงมาได้นะใเสียเน่มื่อต้องมีพระเทนละก็ได้ผ่านมาแล้วนี่สมัยนึ่งนะท่านจะคุณหนูงวัดสัปปทุมเน้่ในระหว่างนั้นเดินเดินดุดเดง้งได้กันห้หนาหกองไม้แห่งหนึ่ง้องเคร่องบริขารในตะ้นไม้แห่งหดิมเนี่ยภูเขานะไปดื่มน้ำาน่ กองน้ําดื่มนี่ยจคนหนคนเนยนะอ้าวเราสําเร็จแล้วนะ่แบกเครื่องไปขันหนีทันทีเดียอตอนนั้นทานายจันสาวน่ะติดตามแหมติดทำหลายลูกภูนะหน่วยภูเดียวน ะ, นะยานั้นหนนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะจึงเอานานหลายสัปโมงจึงเอากันมาได้นะนะั่นเพราะฉะนั้นสัญญาไว้ประหลาดมันต้องมืนั่น ต้องเดินผิดซะก่อนนะเจงเดินถูกนะถูกที่หลังนะนั่นองค์คนไหนวะเป็นบ้ามานะคนนั้นเจงที่สุดนะมันผ่านในความผิดมาแล้วนั่นลูกเสร็จลูกหาเป็นบาแก่ได้ทันทีเพลิบเพลิบเนะอย่างพนักงานทองรัตนะ์น่นลูกเสร็จนะเป็นบานะนั่นหมาไม่รู้จักอบุบายแก้โดวยวิธีไหนนะั่นเขียนเท่านะเตนะนะ่ อ้าเตะไปเวะไปรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวหายบ้าเนี่ยนั่นไม่ว่าทนายการย์มันท่างกล่าวนะถูกครังในจังตาผู้หารในมิดทั้งหลายนะมันไม่เที่ยงนะมันไม่เทียงนะ น, งนะนั่ น, ม, นมัน ค, คล้ายๆก็เราดูนหนังเนะี่ยโดนสิงเนยนะแล้วทีนี้หมดเรื่องของสิ่งนี้แล้วมันก็งดไปเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ย ไม่ว่าในะฉันใดก็ได้คอยตังอกตังใจนะความเป็นวม่านี่ไม่ใช่ไม่ของชั่วหลายนะของดีที่สุดนะหากว่าแกได้นะแกไม่ได้ก็เสียขันใหญ่เนทะบนันโบราณเขากล่าวว่าบกประแดกมีคูนะจีปูมีวาดไหมมีวาดนะนะไหนะเท่งไม่ได้นะเท่งโครไม่ได้นะสร้างวกทท่งพระพุทธเจ้าไม่ได้นั้นะ ต้องได้รับฟังองค์วาัดคํำสอนในเลขาศาสตรให้สําเร็จนะแดนะทิ้งครูไม่ได้ทิ้งครูไม่ได้ต้องแม่แม่คุ้มเหงนะแดนเะมื่อตายไปเช่นนี้ต้องแม่แม่คุ้มเหงนะนแดนความโลดยังไม่รอบคอบอมไม่เหมือนสัมพันโยูองค์สําเร็จพร ะ, พระมภาการสโลได้พระองค์เองแนะ่พระประเจกนะสาวกสาวกนะต้องอาศัยพระพด่นเจ้าเกิดขึ้นนะ จึงมีสาวกเป็นบริวารของพระองค์เลยนะไม่ล่นะเรือนพระได้ภาคได้เม็ดนะขยายส่วนให้เห็นจริงนะในอริยสัจนะม่างอวัยวะร่างกายออกนะนั่นะม่างออกเห็นกระดูกเห็นเนื้เห็นหนังเห็นอะไรทุกอย่างนะม่างออกนะนั่นไะปเข้าในกระดูกนะเอากระดูกเป็นอารมณนะ์ อย่างองค์สมเร็จพระพระเมยภาคพระองค์เอาอนนาปานุสติเป็นอารมณ์นะเท่งไม่ได้เนะี่ยเท่งกรรมฐานอันเดียวไม่ได้นะทํำมาไปทําไปนะสําเร็จนะนั่น <ไป S 1> อย่างอง์สำเร็จพระพระเมยภาคะชายพระองค์พระารณาอนนาปานุสตินะลึกถึงลมหายใจพระองค์วางพระทัยไว้จนะหมกเน่ไม่เช่นนั้นก็ท่องน้อยเนะี่นั่น แล้วลมมาหาย้ยใจมันผ่านขึ้นผ่านลงอ้าวพระหมาบุรุษปัญญาใหญ่เนี่ยลู่ ล, ล ม, มละเอียดมันอย่างยาบอย่างกลางนะนั่นทำความเพเลินเร่งไปแร่งไปไม่ถอยนั่นอ้าวลู่ลมในไซลู่ลมในลูล่ลมลมในท้องในไซนะลมภายในนะ่นเร่งเอกระบายแรงเอกระบายอ้าวลมละเอียดนะนี่ย มันหายใจทุกเส่นขนใช่แล้วนี่ในรายละเอียดจิตมันถึงมีวิปัสสนาเนี่ยแรงๆครับวอยาตาัณโนุตระสัมมาสัมโพธิญาณใช่แล้วเนี่ยเอาอันเดียวอันเดียวนะอย่าเอามากนะ น, ะนั่นอนุเสลมุตโตทัยนี่เอาอันเดียวกระโดดนะนะั่นพระกัจจายนะมาทรมานท่านเจนมันพิจนาธาตุน้ำเนี่ยพิจนาธาตุไฟนะระยะสี่อย่างเนี่ยนะ อย่างพระโมคคลาพระมารา ย, ชายนนะนะาใช้เพ่งกสินนะ่เม็ดแดดมากทีโสไอเพ่งกสินนะนั่นยังได้เป็นอหรหันนะนั่นพระโมคคลานะยกพระองค์ยกดอกว่าเป็นเอธตระฆะทั้งฤทธิ์เนี่ยนั่นไ่ละในให้ชำนานทางนะปฏิภาณในเม็ดนเห็นวายวะทุกส่วนภายในกระดูกนะนั่น มันเป็นถูกขงังด้วยจากตาของขี้เวทนะนั่นพิจารณากระดูกศีรษบเป็นยังไงนั่นหน้าตาเป็นยังไงนั่นเขาอย่างไงเยื่อในกระดูกอย่างไงนั่นแล้วก็แผงกระดูคอนะมันเป็นป่องเป็นป่อ ง, องบัดกรีกันยังไงนั่นลงมาหาสันหลังนะแหมกระดูกใหญ่นักระดูกข้างยังวนยังเงียเดี๋ยเห็นแจ่มนะนั่น ลงไปลงไปบันแอลนะลงไปลงไปหัวเขว trading, then, uh ่าลงไปลงไปเท้านะนั่นอืมแล้วท่าน้อดทนรอมาขึ้นไปขึ้นขึ้นลงลงขึ uti, UNC, frontier, ง้นขึ нож, ้นลงลงนะทําให้มากนะอ้าวปฏิภาคนี่มืดนะแข่งกาดน่ะเก่งกาดนะไม่เล็ดแล้วนะพระโยค่าประจรเจ้าทั้งหลายเก่งนะแข่งในปฏิภาคนี่มืดนะอุมาสศอุมาศิกาเก่งในปฏิภาคนี่มืดนะนั่น คำนวณในล้วงกิจครั้งที่สดครั้งที่สดนะนั่นแพ่งตน้นไม้ใหญ่ๆนะแตกแตกกระจายพลึงพึงพลึงเท่านั้นนะเพราะเล็บกิจถุงทันนะ่านมันแพงนะเล็บเมย์นั่นแผ ง, นะนะงเขาเิสเมโนราชขักนะนนโอบัิโกมาแพ่งอวัยวะเป็นโจนไปนะนั่นะละลายไปนะนั่นระาคาโทสศัมหามันจะขึ้นมาจากไหนที่ไหนนะนะ ราธิเธนตไม่เปลงกายแปลง่ยนกิตอยู่เพียงเป็นกิเลสอยู่ยังรักยังสั่งอยู่ในปริภาคนิม็ตนะนะแต่เป็นตนของวิปัสนาเป็นบาตบทของวิปัสนาะนียังละกิเลสไม่ได้ยังเข้าไม่ได้ในมรรคยังไม่สนิทนะเนะี่ยสำนานในปฏิภาคมาเม็ดแล้วหนายเบื่อหน่ายไปในปฏิภาคนิม็ดมันเลื่อนนะเลื่อนถึงวิปัสนา เกตเข้าสมมิปัญญากิจแบบอีประเภ ท, นนเทหนึ่งต่างหากอภยาเกตนะนั่นไม่รักไม่สังนะนะ่ไม่โดนนะความรักไม่โดนความสังไปสายกลางนะีอ้าวตั้งแต่ที่แรกมันตั้ ง, งจัดเดินนะนะี้ปัญนาไแล้วในที่นี้มันไปเองนะนี่ละเองนะนั่นไม่ละสำคัญยอดที่สุดนะพระนนองคไหนนะั่นบาสกุยบาสิกาคนไหนแม้จนะิตน่ะ ถึงไว้ปรสนาแล้วเย็นที่สดไม่มีมารมันสูงนะมารมันเอื้อไม่ถึงนั่นเะย็นที่สดนะไม่สะดง n g ไม่อะไรไม่สงสัยอะไรนะเย็นที่สดเพราะมันชำ ร, นะน ร, ระมาแล้วไอ้กิเลสอย่างยาบนั่นเม็ดก็ชระมาแล้วบริกรรมก็ความสงบมาแล้วนั่นะภาคนะั้นเม็ดก็มีแล้วนะ่ปิติก็มีแล้วมันผ่านมาแล้วไอ้ความ สงสยัยสั ป, ปุส ป, ปุยทุกอย่างนะมันผ่านมาแล้วนะมันเคลื่อในปรินามันกลั่นเดิเนื้อแล้วเดินเนือดทองนะะมัน ค, คล้ายๆก็ว่าเจรันายนะเยรันนายทองคํานะมันเคลียกเกเรดออกแล้วฮะมันเคลียเกเรดออกแล้วนะปอกมันปอกออกแล้วไอ้เจระนนายนะมันเอาเนื้อที่ดีไว้ในในคือปรนะินา เดินไม่ปาธนาอกนีกแน่แมแกวกล้าหรือสิสดในตอนนี้ hmm. สาะเทวัดเปลี่ยงเปลี่ยนนะนั่นหัว oh. หัวใจปล่ำนะนั่นมันเห็นอัจเห็นทำนะนั่นม่น่ะเรนสมคีใหญ่นั่ น, ม, น ม, ยยนะมันไปแองมันละแองเนะน้อนะ่ะเนื้อทองนะนั่นอ้มันพอไมปรานาแล้วเรียกว่าอมตะ อามาตัมันเทียงนี่ยมันพอนะนี่ยมันเพียงพอแล้วนี่ยมันคล้ายๆกินข้าวนะมันเพียงพอมันออกเองนะน่ยมันยังไม่พอนะดึงหูมันออกมันมยังไม่พอเนี่ยนะอท่านอาจารย์มันเตือนท่านมหาบัวไม่ครั่งนดินมหาบัวอาบน้าให้อาจารย์มันท่านมหามหาบัวนะนี่ย อย่าย่ายนะให้มันย่ายเองนะนั่นไม่นะ่ะความพอของสมถะวิธีความพอของบริกรรมมันเข้าไปถึงความสงบนะ่ะความพอนะ่ะความสงบมนะันเกิดปิตินะ่ะความพอนะมันเกิดดีเม็ดนะ่ะนั่น hmm. แล้วมันมวนกลมนะ่ะนั่นในสมถะวิธีนะ่ะนั่น hmm. สรุปสรุปสรนะุปน่ะมวนกลมนะ่ะนั่น รสของสมถะไมนั่นจิตสงบหนึง่งจิตไม่ฟุง้งซ่านหนึ่งหมายจิตนั่นไม่ได้ชั่วุภาพนะ่นจิตไม่อำนาจ น, ะนั่นยอดปรา้ความเพียรมันม่วนกลมนั่นไม่เรียกว่าสมถะวิธีได้เลือนจําอย่างใหญ่โตแล้วเนั่นได้เลือนหวังลากหวังเข็มได้ใหญ่โตแล้วนะ่ะบัามบาิชิตทำเช่นนั้นอุบาสกอุบาสิกาทำเช่นนั้นนะ เตรียมตัวนะเดินปฏิภาคนในเม็ดเนะนี่ยเด่นปฏิภาคนในเม็ดเนะี่ยถึงหากว่าได้ชนะก็ชนะโซ้าวดขึ้น อ, อ, อีกทีเพราะมันมีการหาอยู่มันเกตินามันหวังปฏิภาคนในเม็ดให้ชํานาญอยู่นะั่นไม่ละอั น, นอยก็เดนะปฏิภาคนี่มันค่อยอยู่ซาวกันนะกลับมานะบางครั้งเราชนะบางครั้งมานก็ชนะนะเมันอยู่ซาวกันเนี่ย S <S แล้วบำ ล, ง, ลงเก็หลวงดาวให้มากเอามันชนะเนี่ยออกจากบัคติภาคไ้เม็ดแล้วขึ้นหรือปัชนานั่นเดร้อยเร็วเท่านะขึ้นบนนะนั่นไม่มีมานนั่นจิตไปเวทีหัวใาจาเป็นเวทีสมปัญญาอย่างละเอียดที่สุดนะชำละอนุสัยลึกซึงนะนี่นะ ช่ำระอนุสัยให้สิ like Main Main э ้นเชิงใบไม่เชื่อให้เป็นอาเิษข์บุคคลไม่ล่ะสําคัญนะเป็นชั้นๆไปเช่นวในเที่ยวนะเหมือนกับฝ่ายโลกเขานั่นชั้นกำนันหนึ่งหนึ่งชั้นในอำเภอยังหนึ่งข้าหลวงยังหนึ่งเนี่ยชั้นรัฐบนลกรีนชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นเกษตรอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นชั้นเป็นจอมอยู่นะนั่น นมละฉันใดก็ได้คอยต่างอกต่างใจให้ามากธรรมะมาอยู่ในตัวเสร็จนะมันพราอมหมดทุกอย่างนะเจ้าชาทีิทาราชกุ ม, มารพองนะก็เหมือนกับพวกเรานะ่ยยังไม่ละ่าอยู่นะบำเลนางพิพาเกิดลาหุนนะ่ยยังไม่อยู่นะั่นไม่คณะนั้นนะแมละแมละฉันใดก็ได้นะ ธาตของพระรหารทั้งหลายพระผู้ริจ้าวไม่ใช่เอาธาตุวิเศษมาจากหน้าทีไหนนะ่ธรรมชาติธาตุของเราเหมือนกับเรานะมนุษย์นะมนุษย์นะ